Book 2 7เจ็ดสิบเจ็ดเซพต p งเดซเหตุผลบางประการสามเก้าตัวประมทูตรีสทไมคุณไม่ทานเค้กชิ้นนี้ล่ะคะก e ตอ ดิฉันต้องการลดน้ำหนักค่ะมันยาสมาซินะสวาร์สดิฉันไม่ทานเพราะว่าต้องลดน้ำหนักค่ะเอสเหนืดุอยามันยาสมาซินสวาร์สทำไมคุณไม่ดื่มเบียร์คะก็ไปจูสเนเร์ตอาลดิฉันต้องขับรถค่ะ มอนเวลย่าบรอตดิฉันไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าต้องขับรถค่ะเอสตูนเนเจอร์ยมอนเวลยาบรอตส์ทไมคุณไม่ดื่มกาแฟคะก็เป็ดตุเนเจอร์กาฟอยูมันเย็นแล้วค่ะตาอิร์อาสต้ดิฉันไม่ดื่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้วค่ะ Es t ต n e d z e r อ jo t ย ir a ān, u อ s t a ุกสไมคุณไม่ดื่มชาคะ k a p ฟ t ตูเนเจอเตยุดิฉันไม่มีน้ำตาลค่ะ a ั n น่ u วชุกุระดิฉันไม่ดื่มชาเพราะว่าไม่มีน้ำตาลค่ะเอสตูนเนเจอรุกยวดมันนุ่ ทำไมคุณไม่ทานซุปก็บเป็ดยุสนดัดซุปปุ๊ดิฉันไม่ได้สั่งค่ะเอสตัวในปัสูตีอยู่ดิฉันไม่ทานซุปเพราะว่าไม่ได้สั่งค่ะเอสตัวนดุอยู่นปัสูตีอยู่ทำไมคุณไม่ทานเนื้อคะ ก็เปิดใช้หน้าดัด ก, กลอยุดิฉันเป็นมังสวิรัตค่ะอ s asmo vegetarian ดิฉันไม่ทานเนื้อเพราะว่าเป็นมังสวิรัตค่ะ Esto no yo asmo vegetarian